ทั้งตูนมันก็ลงช่องนี้ถ้าไม่มีเที่ยงถ้าไม่แก้ช่องนี้ไปไม่รอดวางนี่เลยใครจะคุยโม้ขนาดไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ตามไม่รอดวางนี้เลยเพราะนี่มันขวัญนี่แล้วมันติดกันอันตูนแล้วทั้งไปนั้งมานอกจากตมเท่านั้นแหละถ้าใครอยากจมคนทั้งประเทศใครจะอยากตมไม่มีใครอยากจมความล้นจมไม่ใช่ของดีเป็นความคลิปหายวายตัวงหมดความหมายร้านผ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใคร ต้องการความการหมดความหมายไล่ค่าจินมันเวลานี้ประเทศไทยเรากำลังมีคุณค่าในไรไค่าคนทุกคนหยู่หัวใจเป็นคนเป็นเอกสิทธิ์เอกภาพคนจะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีมีความจงรักภักดีต่อชาติโดยกา ร, ป, รปฏิบัติหน้าที่กันงานให้ตรงตามคนระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็น ขอแรกครับเพื่อความมั่นคงและความสมสุลของประเทศชาติบ้านเมืองเร้พูดเป็นเท็แน่เราไปพิจารณาอย่างไรก็นแล้วแต่ให้ถามหน้าว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำประโยชนให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไดดั้งนั้นยิ่งกว่าผู้ที่ตั้งหน้าปกครองสินั่งไปยังต้องอาศัยภาษีเอากรของประชาชนเป็นเสบียงอาหาร พอมีทางมีแนวคงามคิดราบมันเป็นอย่างนั้นเป็นแบบพระถ้าเราขอทางเนขอทางแบบพระไปเลยเป็นแบบพระอยู่แบบพระอธาศัยประชาช น, นแบบพระแบบพระนเป็นแบบราบราบื่นยิ่งานแบบให้ด้วยความสมัครใจแบบให้ด้วยความยื้อแย้งแสงใสไม่ให้ด้วยความจาเป็นเ น, นี่ยจากภาษีท่าความ possible, ของประเทศชาติบ้านเราเขาจะให้ด้วยความจําเป็นเขาเป็ยังพอใจถ้าดําเนินต่ำ ความผสมของเขามีแล้พูดถึงเรืโลกโลกอยู่ได้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามันคงเพราะความร้อมเพียงความสมัครใกันความดำเนินหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎมหมายบ้านเมืองข้อบังคับซึ่งเป็นรากฐานอันย้ำคัญแห่งความส ม, มัยสุดโดยทั่วกันอย่างเราเริ่มทำงานศาสนาก็คือหลักทำหลักวินยัย ที่จะให้พระเรามีความร่วมเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันเป็นฐาสุขไม่มีอะไรที่จะละร ะ, ล ะ, ล ะ, ละแคะระขายทะเลาะเบาแร่งจนถึงการแตกก้าวสำนึกีกันก็เพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิสามัญญาตาคือความรู้ความเห็นเป็นไปในหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันการพุทธปฏิบัติก็ดำเนินไปตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ผิดในเพียเ้ยงไ้วเจตนานอกจากความรู้ท่าในทั้งการ น, นั้นมันเป็นไปได้เรื่องเจตนาที่จะทําลาย หรืที่จะทำผิดัดงนั้นไม่ให้มีสําหรับนัก บ, บวชเราให้ดูเจ้าของสมองทาวินัยอยู่ที่หัวใจใครไม่รู้เราก็รู้เองที่แจ้งพระที่รับไม่มีมีที่แจ้งเปิดเผยอยู่กับหัวใจของตัวเองจะทําอะไรๆไม่มีใครรู้ก็คือเราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้เราว่ามีอกติยยาอย่างไรภายในา จ, จิตใจถูกหรือผิดประการใดให้เราพยายามทั้งเกดบสอดรู้ภายในจิตใจของเรา ที่จะเคลื่อนไหลไปในทางให้ผิดธรรมผิดวิไัยข้อใดในภารนีน้ฉันเจ็ดว่ารู้เสมอแล้วการอยู่ด้วยกันอย่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยสําคัญยิ่งกว่าการเห็นตรงตามหลักธรรมหลักวินัยใครจะพูดออกมาแสดงทื่ออะไรออกมาก็ตามให้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องรับรองดิ้นดันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเป็นภาริจ โลกสิทธิฐานพุทไม่มีเรื่องชาติชั้นวรรณะมีแต่ศาสกยายบุตรพุทธกินลสเท่านั้นอย่างเท่านั้นอย่างเดียวจากเดียเท่านั้นมีเราเป็นศากยายบุตรคำว่าพุทธเจ้าไม่มีคำ ว, ว่าชาติชั้นวรรณะซึ่งเป็นเรื่องของโลกไั่เข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าไม่เห็นไม่ถือความเป็นใหญ่กับสิ่งเห น, นั้นยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่จะเป็นเครื่องปกครองพระทุกชาติชั้นวรรณะให้กลมคืนเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันในเวลาที่อยู่ร่วมกัน และให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติธปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศุกอยู่ภายนจิตใจด้วยจากความโลภความโกรธความหลงราคะตังหาสิ่งเหล่านี้เป็นเสี่ยงเป็นน้ำเป็นยาพิษเท้าร้นจิตใจให้แดืนอร้นมีมากมีน้อยจอบแสดงพิษสงให้เห็นอยู่เสมอไม่มีผู้ใดที่จะรู้พิษสงสิ่งของสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุธธทธเจ้าพระองค์ทรงมีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาล พิษภัยทั้งหลายที่กล่าวมานี้และพระองค์ทรงสามารถชำระล้างออกได้ด้วยความภาคเพียรจนพระจิตมีความบริสุทธิ์บมุดพนิพพานแล้วจึงได้นำธรรมนั้นมาสอนโลกทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการแก้ไขช้าล้างสิ่งสกรปรกโสมมอันเป็นพิษเป็นภัยนี้ทั้งผลที่พรุงได้ที่ทรงได้รับแล้วมาประกาศสอนโลกให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงยืดมาจนกระทั่งปัจจุบัน เพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสม่ําเสมอคงคงเส่นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถึงปจัจจุบันสมัยปัจจุบันขอให้ดําเนินตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องถูกเรื่องมรรคผลนิพพานจะไม่ต้องไปถามไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้มัชฌิมาปฏิปทานี้แหละเป็นกุญแจดอกสาคัญที่จะเปิดตู้พระไกรพิฎก พระสูตรพรวินยัยพระประัชนาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใ จ, จนี้ให้เปิดเผยออกมาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนประจับใจนี่แหละเป็นเป็นสิ่งสําคัญการเวลาสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมากาั้นกางมรรคผลนิพพานมีตะกิเกหลือตัณหาอาสวะซึ่งเรียกว่าสมุ ท, ทยัยยัตสส์แสดงผลเป็นทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าทุกขะสัตว์สองประการนี้เท่านั้นเป็นเครื่องกัก้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้บรรลุ ถ, ถึงจุดไม้ปลายทางได้ เพราะฉะนั้นการบุเบิกบุเบิกศีลธรรมทั้งสองอันเป็นฝปกปิดกําลังนี้จึงต้องบุเบิกด้วยมัธิมาปฏิบัติธได้แต่สมาธิฏฐิสัมมาสังกปูเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่จะกําจัดปัดเต่าหรือเบิกบุเบิกทางที่ตีบตันอันตู้ไปด้วยกิเลสต่างอาสวะความมืดมัวนระการนี้ให้เปิดออกอย่างสว่างสวยกระจ่างแส้งภายในจิตใจถึงนมืดดุดพ้นไปได้ ด้วยอำนาจมัชชิมาปฏิบทานี่แหละอานาจมัชชิมา ป, ปฏิปัติานี่แหละเป็นผู้ทรงอํานาจมากที่สุดที่จะกาจัดกิเลสทุก ป, ประเภทมันจะมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออํานาจมัชชิมาปฏิบัติานี้ไปได้เลยขอให้ทําความเข้าใจตรงนี้นอย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าสถานที่น่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกาข้างหลายท่านตัสรู้อยู่สถานที่นู่นตั้งแต่ข้างโน้นข้างนั้น ครั้งนี้ไม่มีหละมาผลนิพานนั่นเป็นความข้าใจผิดและเป็นเครื่องส่ ง, สงเสริมเกียรตและเป็นเครื่องประกาศความต่างชาติเลืามความมืดบอดของตัวเองให้คนอื่นเห็นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการเหยาบด่างทำลายตนและทำให้คนอื่นพูดที่มีความโงเขลาโง่เขลาดับบรราปัญญาให้หลงเชื่อตามตีนซึ่งเป็นความเสียหายอย่างมากมายไม่มีประมาณเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการพระดินดำทำมาในธรร ม, ม, รร ม, มประปฏิ ป, ปันโน ปฏิบัติสมควรทําสมควรจะทํานั่นแหละชื่อว่าดําเนินตามแนวทางของตถาคตและชื่อว่าเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ด้วยในตัวสุปฏิปโน ค, คือการปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรที่เีปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติให้ตรงตามหลักทำหลักวินัยไม่เคลื่อนค้ามไม่ว่าสิาบทบุตวินัยนอใหญ่ขึ้นเป็นสุภาษิตธรรมที่จับได้ชอบแล้วทรงบัญญัติว้แล้ว <c oughs> ให้เคารพดําเนินตามนั้น ยาข้ามยาเหยียบย่ำทำลายจะเป็นการเหยียบย่ำทำลายสถาคตนซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาก็ได้แก่หลักธรรมหลักยี่ไหน <c oughs> อุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวต่อมาตรต่อผลไม่มีโยกามิตใดๆมามีอำนาจ <c oughs> เหนือการปฏิบัติตรงคือตรงแนวต่อมาตรต่อผลต่อทิพย์ผ่านด้วการพูดปฏิบัติดีชอบเนี่ย ญาณญาติปโนปฏิบัติเพืความยิ่งขงจริงโดยถ่ายเดียวไม่ปฏิบัติเพืความยิ่หลงงมงายดังที่ท่านพูดอั น, นม่ว่าท่านาว่าเราถึปฏิบัติลุ่มหลงงมงายเลยการเปเร่อปฏิบัติเพื่อโลกาไม่ไปเสียนี่มีการบวชมาในศาสนาแทนที่จะเป็นการชำระสาสนากิตเดชกลับมาสั่งสมกิเดชยิ่งกว่าคารวะเสอีกก็มีเยอะนี่มันไม่ใช่ญาณญา ปฏิบั诺ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิง่งแท้จริงแต่กลับกลายเป็นปฏิบัติเพื่อความรุ่มหลงหลงมาเขาโดูถูกเหยียดหยามทา้งพวกทําอย่างนั้นด้วยทั้งศาสนาเป็นของมุสุก็ถูกเรียกเขาตำหนิเพราะอาศัยผู้ปฏิบัติศาสนาทําให้ด่างพร้อยเสียหายด้วย <c oughs> สามิกิปฏิบันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างยิ่งไม่มีที่ต้องติหน้ากราบไหว้บูชา เป็นขวัญตาขวัญใจดังท่านกล่าวไว้ว่าปุญญกเียตังโลกะสัตสุดท้ายและผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงสุปฏิบโนอุชุญายะสามมิจี่นี้คืออะไรได้ดังจะตายปุริสายุงรายอัตถุตริสากุคลาดเป็นคู่แห่งบุตสี่เมื่อกล่าวเป็นคู่คแล้วเป็นคู่แห่งธรรมส่ก็ได้เป็น บุคคลแปดคือโสดาปฏิมาโสดาปฏิบลญเป็นคู่หนึ่งมีการเป็นมากเป็นคู่แห่งธรรมสเป็นเอกเทศทํางปดโซดาปฏิมาโสดาปฏิบุญสกิทาท่านนะัากจะมาสร้างถึงอรหาตาัตมรรคอรหัตผลเป็นคู่คู่สี่คู่เป็นแปดที่ท่านว่าคู่แห่งบุรุษสี่เราอยากเข้าใจว่าสี่คนมาบรรลุธรรมนะอืนั่นเป็นความเข้าใจผบุคคล เป็นน่าเป็นบุคคลแปดไหหมายถึงคนคนเดียวผู้ปฏิบัติผู้นั้นเลยจะได้รับทั้งโสดาปัติมรรคโสดาปิทิผลเป็นสมบัติของตนด้วยสกิทาคารรมัสกิทาค า, ารรมุนอนณาคามัสอาณาคามผลอาราคามัสอา ร, รอาสผลเป็นของตนด้วยนะเ <c oughs> มันอแยกเป็นแปดก็ดย่งที่บพรยายมาเอสาภัตวโตสาวคังโคนั่นแหล่คือสาวกของพระพุทธเจ้า อ้านายโยปา่าหัวนายโยทักจินนโยนั้นเป็นผู้ควรแก่ทักจินทานเป็นผู้ควรแก่สิ่งต้อนรับผู้กสิ่ทุกอย่างคือขึ้นชื่อว่าพยาทานเคื่องจากพระละบูชาของประชาชนเขาจะนํามามากมาน้อยไม่นอกหนือนะหรือไม่มีคุณค่าเกินทําเหล่านี้เกินท่านผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้ไปได้เลยสามารถรับทักจินทานของเขาให้เป็นที่ภูมิใจ แ, ก, แ ก, ก่ทายกพยาการได้โดยสมบูรณ์ เอสาตวตโตสาขาสังโคท่านเหล่านี้แหละคือสาวกของพระพุทธเจา้านั่นนี่แหละการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมามีผลจะพึงได้รับอย่างในผู้ปฏิบัติคนคนเดียวนั่นแหละมีทั้งทำคู่สี่คู่มีทั้งทำเอกเทศเป็นแปดผู้นั้นจะพึงได้รับคนเดียวไม่ใช่จะไปรวมคนนั้นคนนี้เข้ามาอยากเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดอัถริสาภุคลา เป็นคู่แห่งบูรีคู่แห่งธรรมสี่เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นประเภทแห่งธรรมแปดเมื่อเข้าสู่บุคคลเข้าสู่หญิงก็เรียกว่าอคู่แห่งสตรีสีกก่ก็ได้อืคู่แห่งบุรีสี่ก็ได้และเมื่อเป็นเอกเทศแล้วคู่แ ห, งห่งบุคคลเป็นเป็นธรรมแห่งบุคคลแปดก็ได้คือบุคคลทั้งกลางๆทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งนั้นคือได้ทั้งหญิงทั้งชายการปฏิบัต ไม่มีเพศเรื่งมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศเหมือนกับทิเล็กไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภ ก, ก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปัจิบทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้ทีเล็กทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นเพื่ออำนากความสามารถของตนและมีทางหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันมักคผลนิพพานท้าทายอยู่ในหัวใจของเรา เช่นเดียวกับวิเลศราคาตันหาท่าคาอยู่ภายในจิตใจของเราทุกขณะเวลานี้เพราะฉะนั้นขอให้ผิดสติปัญญาศรัทธาความแจงขึ้นมาให้เด่นโดยลําดับลําดับด้วยความมีสัมพยายเมเถิดมรรคผลพิพานจะปรากฏขึ้นที่จิต ด, ดวงที่กําลังโสมองเวลานี้ด้วยสิ่งสกปกตกทั้งหลายเข้าไปพอกพูนแล้วจะเด่นชัดขึ้นมาด้วยความสะอาดผ่องใสจากผ่องใสก็ บ, บริสุทธิ์ เมื่อกิเลสอาสวะออกหมดแล้วจะบริสุทิขึ้นทิ่นรู้ธรรมจะรู้ที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ไหนก็เช่นเดียวกับที่รกรุงรังมันมีอยู่ที่ไหนความเตียนโลกจะมีอยู่ที่นั่นเมื่อปราศสถานที่ที่รกรุงรังถากตัดต้นไม้ดายย่าหมดแล้วความเตียนโลกจะไม่ถามหาที่ไหนจะเกิดขึ้นจากที่รกรุงรังนั่นแหละมีกิเลสเป็นเครื่องรบกรุงรังฝังอยู่ภายในจิตใจให้พยายามถากช้างด้วยถิ่นด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อกิเลส ถูกถ่าถูกทางถูกเผาโดยตับประทานลงไปโดยลำดนะับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วความโล่งอันฝุดขีดก็ปรากฝดขึ้นภายในใจความโล่งอันฝุดขีดสมมุติแนวนั่นแหละท่าเรีย้วันนี้ผ่านท่งเรี้บ่าความบริสุทธิ์ให้ชื่อว่าบริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นจะให้ชื่อมาชื่อไม่สําคัญขอให้เจอเถอะขอให้รู้เถอะเป็นที่พอใจเป็นที่เหมาะสมอย่างนี้ไม่มีอันใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัตต์ ม, มาในธรรมชาติคือความบริสุทนั่นเลย แรกก็ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิบัติคือข้อปฏิบัตินี้ก่อนเมื่อดําเนินไปไม่หยุดไม่ถอยแล้วจนถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะเป็นมัชฌิมาเบลักธรรมชาติได้ใจใจที่บริสุทธิ์เต็มภูมแล้วรู้เองแม้พระชชพุทเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ให้ทูลถามเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันถามอะไรเช่นเดียวกับเรารับถานับทานรวมวงกันรวมวงกันอยู่กี่คนก็ถางข้ า, า, ม, ามอิ่นจะไม่ต้องถามกันเลยความเพ็ดข้ามเค็มอะไร ต่างคนต่างมีลิ้มชิวหาประสาททราบด้วยกันทุกคนความปริเวณเราขนาดไหนทราบด้วยกันทุกคนไม่จําเป็นต้องถามกันจึงสร้างถึงความอิ่มหนาทั้องลายความจำพอแต่ภาตขันซึ่งเกิดขึ้นจากการรับทานซึ่งเป็นของประจับภายในธาตขันและจิตใจของของแต่ละคนลคนแต่โดยสมบูรณ์เองไม่ต้องกระทำกันมีหลักธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าชันพิติโกจะเห็นเองปัจจันเทิตะโบวินโยท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จําพอต่อ เมื่อรู้จำคอตนแล้วต่างคนต่างรู้ด้วยกันเหมือน ก, นกันกับต่างคนต่างอื่นด้วยกันถามกันหาประโยชน์อะไรเพราะมันเหมือนกันนีเองที่มีแลที่แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ถูนถามพระองค์บ้าข้าพระองค์ถึงนี้พานบบแล้วยังข้าบริสุทธิแล้วยังด้วยความบริสุทธิข้าพรองค์เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิบบ ข, ออของพระพุทธเจ้าหรือของพระองค์เป็นอย่างไรถามไปทำไมไม่มีผานยกตัวอย่างเช่นอนนุญร่าพิคขู <c oughs> ที่เขาไปทูลถามพระพุทธเจ้าในปัญหาสำคัญตอนสุดท้ายปลายเดชพอพอไปถึงใต้ถุนพระ菩萨บุดีนั้นเวลานั้นฝนตกหนักเลยไม่กล้าขึ้นไปนทูลฐานท่านก็ยืนอยู่ที่ตรงนันพิงเสาอยู่สังเกตดูน้ำฝนตกมายดโดดด้อยลงมาจากชทคาลงมากระทบน้ำข้างล่างข้างพื้นนี่ก็ตั้งเป็นชาต่อมขึ้นมาตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเมื่ออาศัยความกระทบ ของน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันก็ปรากปดเป็นฟองเป็นต่ําขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาเทียบเคียงกับสังขานที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดีก็ดับชั่วก็ดับทางการก็ดับนีความกระทบกันชั่วขนาดขนาดแล้วดับไปดับไปเทียบเคียงกับเหตุผลภายในนี้บรรลุธรรมเสียในขนาดนั้นพอผลตกอยุดนั้นท่านเดินกับผู้ติไม่ไปทูลถามพระมุทิตเลยนั่นดูดิทั้งทั้งที่ก่อนจะไปทูลถามปัญหานี้อยู่แล้วนาะอาศัยผลนั่นนี่ยเป็นอาจารย์ เพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปนำเข้า ม, มาเทียบเทียงกันได้กับสังขารมาทําที่มันคิดมันกลุมมีอวิชชาเป็นผู้ผลักดันออกมาพอ ร, รู้ได้สัดได้ส่วนแล้วหมดปัญหาไม่ต้องถูนถามนั่นแหละเพราะธรรมชาติแห่งความไู้สุกนั่นเป็นเหมือนกันกับพระพธิสัตว์เช่นเดียวกับความอิ่มนั้นเป็นเหมือนกัน จึงไม่จําเป็นต้องถามกันว่าใครอี่มมีลักษณะอย่างไรก็มี่ม้องใครมีลักษณะเช่นไรก็เอิ่มผมมีลักษณะชนี้ความอิ่มของข้ามีลักษณะชนะนี้จึงไม่จำเป็นต้องถามกันอย่างนี้ซึ่งเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองความชั่วองตัวเองความเลวหลังตัวเองมิเรื่อมทำว่าเป็นอย่างนั้นอันใดที่จะบริสุทิ์อันใดที่จะถูกตั้งแม่นยำยิ่งกว่าษาสนธรรมนี่หาดูที่ในโลกนี้ไม่เห็นแล้วก็ปฏิบัติมานาน เรียนก็เรียนมาหลายปีว่าไม่สิ้นสงสัยเรียนเป็นเจ็ดปีเรียนหนังสรรือทางด้านปริญญามันก็ไม่สิ้นสงสยัยเวลาจะเอาจริงเอาจังยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นคำว่าจะเอาจริงเอาจังค<ม>ือหยุดจากการเรียนแล้วที่นี่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรผลนพพานจริงๆอย่างเต็มใจแล้วก็เลยมาเกิดความสงสยัยนีม่มรรคผลนิพพานจะยังมีอยู่หรือไม่นาะนถ้าวัามีผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมาชี้แจง ให้เราทาบอย่างถึงใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบไหวผู้นั้นอย่างถึงใจงทันถีแล้วจะสละชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นโดยไม่เสียดายเลยตายก็เพื่อบูชามรรคผลนิพพานนั้นเสียทีเดียวตายติดส่งติดไปหาใครมันก็ไม่ติดไม่เกาะทรงถึงแท้จาะนั่นติดปักติดปักพรานได้เคยปรากฏชื่อหรือนามของท่านมาเป็นเวลานานแล้ว มาพระอาจารย์มั่นนี่เป็นพระญยบุคคลไม่ใช่เป็นพระธรรมดาีทั้งฝ่ายพระวาชาที่เคยใกล้ชิดเป็นท่านก็พูดอย่างนี้ทั้งพระที่เคยไปอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายปีมาพูดก็พูดทํานองเดียวกันมาท่านท่านพอาจารย์มั่นนี้ไม่ใช่พรธรรมดาเป็นพระญาบุคคลที่เรามุ่งไปถึงท่าอรหันต์สกุลของท่านอรหันต์ของท่านนะเราจะบึ่งถึงท่านไปพอไปถึงท่าน ท่านชี้แกงอะไรออกมาเนี่เหมือนกับถอดออกมาจากดวงใจเหมือนว่านี่หน้านี่หนานี่หน้ามรรคผลนิพพานหาไปไหนงมไปไหนคำไปไหนอย่างเงอ้ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำฟ้าเป็นฟ้าอากาศเป็นอากาศผ้าแดดดินลมเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่มรรคผลนิพพานนี่มาคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงที่กิเลสกำลังรุ่งอยู่นี่เวลานี้ให้แก้ตัวนี้ออกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาหน่นี่น่ะมีหน่ะเหมือนอย่างนั้นจิตมันก็ถึง ใจทีเดียวทํามาท่านถึงใจตึงตึงใจกราบท่านดังถึงตายทีนี่หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เป็นนั้นว่าหายสงสัยแม่เราจะยังไม่รู้ไม่เห็นพระจัดใจก็ตามเอาเธอทีนี่วางนั้นนะตายเป็นตายขอให้ได้ส่งไว้ชื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นกับตายเท่านั้นถ้าไม่รู้จะตายก็ตายไปเมื่อตาเมื่อไม่ตายให้รู้เพื่อการปฏิบัติเอาจริงเอาจังตั้งแต่บัดนั้น เนยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตรลุมบอลเราออกปฏิบัติแล้ว เ, เอาจริงเอาจังเป็นตรุมบอลเลยไม่มีเวาลารับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันแรกออกปฏิบัติเพราะต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทด้วยวิธีการต่างๆฝึกฝนทรมานตนดังเคยเล่าให้ฟังแล้วจนกระทั่ <c oughs> งจิตได้มีสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลําดับําดับลําดั บ, ดบเป็นความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็กาเนินทางด้านปัญญา จนมีความกระจา่างแจ้งขึ้นมาเป็นลนําดักลักเห็นคุณค่าของปัญญาว่าสามารถที่จะสอนพิเลศได้ทุกประเภทก็ยิ่งมีความกระยิบความอึตสาหพยายามก็มาเองอะไรก็มาเองจากนั้นก็เลยเป็นธรรมจักรไปเลยหมุนติวติวทั้งกลางวันกลางคืนสติก็กลายเป็นสติอัตโนมตัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นดงรสแล้วก็ยนต์เข้ามาพิจารณาเรื่องกายของตนจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนต่อยว่างได้ตามเป็นจริงของสิ่ตเหล่านี้อา้าวยังเหลืออะไร เมื่อรูปกายก็ได้พิจารณาเนี่ว่าเป็นอิจทรชูกังตาเรื่องอุบาสกุพังก็เต็มใจคือมายถึงว่าถึงใจเรื่องบาาัตท่าขันนี่ก็ถึงใจในส่วนรูปธาตุนี้แต่นั้นก็พิจารณาในเรื่องเวทนานคือใจเวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันต่อยเองนะอืม ทำถ้ายังไม่ปล่อยอก็เหมือนกับรับรทานไม่อิ่แล้วอยู่รับทานไม่ได้รับทานไปจนกรทั่งอิ่นแล้วจะบอกตัวเองหยุดเองอาหารจะมีความไม่ได้ อ, อร่อยขนาดไหนก็ตามเมื่อธาตุขันพอแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมรับอีกอันนี้ปิดเมื่อพิจารณาเรื่องรูปประคันเป็นต้นจนเป็นที่พอใจเห็นแจงแจ้งชัดเจนเทียบได้ทุกสัตทุกสว่วนแล้สลักปักทิ้งทันทีอ่านี่เรียกว่าส่วนรูปกายละไปได้อย่างเด็ดขาดรูจ้จกัจกใจเหมนเบคะนาสัญ ญ, ญาสังขารวิญ ญ, ญาณ มันเกี่ยวทั้งทั้งส่วนร่างกายและจิตใจประสานกันอย่างนี้ก็ขี้จนาจนเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาของอจิตจิตมีความส่องใสจิตมีความสุขก็เป็นทุกขเวทนาโอ้เป็นสุขเวทนาทุกเวนทวนาก็เป็นสัจธรรมทุกเวทนาก็เป็นสัจธรรมนั่นไม่เอาแต่ว่าทุกเป็นสัจธรรมนะคือมีเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วสุขก็เป็นสัจธรรมไดน้นนี้ในตาําราท่านมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบนะทน่านได้ยินแต่ ว, ว่าทุกขังอริยสัจจ์ท่านว่านั้น แต่เวลาปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นในทางทาภาคปฏิบัติที่รู้เห็นขึ้นมาทุกขังอริยสัจจังนี้เป็นสิ่งที่โลกเห็นได้อย่างชัดเจนโลกไม่ติดโลกมีความเบียดหนายเบือ่อที่สุดลกลัวที่สุดสุขขังอริยสัจจังนี้โลกมีความติดพันความติดพันนี้ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งพอหลงความสุขนั้นเพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงเป็นสัตธรรมประเภทหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันเวลาถึงขัน้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นทางาภาคปฏิบัติเองโดยไม่มีใครบอก มันก็ตามทั้งสุขทั้งทุกข์เวลาจิตมีความองสัยขนานั้นมีความสุ ข, ม, ม, สขมันก็รู้ว่านี่สุขความสุขอับ น, นี้เป็นสุขเบญทนาสุขเบญทนานี้ก็เป็นปัจจัยธมไม่ใช่เป็นของเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งเข้าใจทั้งทั้งเบทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงเล ย, เลยแล้วอย่างจนกระทั่งถึงจิตอาการเหล่านี้มาจากไหนถ้ามันมาจากจิตอะไรเป็นตัวการอยู่ภายจิต เมื่อพิจารณาถึงขนาดนั้นแล้วจิตมันว่างหมดนะมันว่างเหมือนเป็นอากาศกระทาทั้งหมดถึงขั้นมันว่าคือจิตว่างมันมีอยู่สามขั้นของการปฏิบัติหนึ่งว่างในเวลาสมาธิจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างจากอารมณ์ทั้ญาอะไรถึงแม้สิ่งใดจะมีอยู่ก็ตามแต่จิตไม่สนใจเหลือแต่ความรู้อยู่ว่างเปล่าอยู่ตนั้นก็เรียกว่าว่างเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วก็ไม่ว่างขั้นที่สองพิจารณาร่างกายจนหมดไม่มีอะไรเหลือตอยว่างร่างกายได้ด้วย แล้วที่นีจิตก็ว่างเมตนาทัญญาสังขารญานยังมีอยู่คืยังติดกันอยู่พิจารณาเมตนาัญญาสังขารญานจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นราคฐานของอวิชชาอยู่ทุกที่ตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชากระจายออกด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยได้แก่สติปัญญาชนมัตรหรือมหาสติมหปัญญาอจุดแห่งอวิชชากระจายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นจึงว่างแท้แปลว่าว่างโดยประการทั้งปวง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 กับจัดการแต่รูกอย่างเห็นจริงในธรรมนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมนั้นแล้วก็เป็นมัตติมาโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงโดยหลักมัตติมาโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดเรื่องภาระธุระอะไรจิตน้อยจิตใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องกับกิเลสนี้เรียกว่าหมดถ้าเป็นชนะกัชนะชั้นเอกเรียกว่าเอกาการจักรชยมัตตานังเสวะสรางามชุตโมกผู้ชนะตนคือกิเลส ข, ของตนทุก ป, ประเภทกิเลสทุกประเภทของตน บ้าโดยเด็ดค่ะแล้วผู้นั้นแแเป็นผู้ประเสริฐความชนะนั้นแแเป็นความชนะอันประเสริฐในเบื้องต้นทา่านว่โยตาสั่งคาเซนัทสั่งดานเมย์มานุเซกิเมการชนะคนอื่นจกคุนด้วยล้านก็าตามการชนะเหล่านั้นหาความสุขไม่ได้นอกจากการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกันละกรมไม่มีที่สิ้นสุดนะเป็นบางนะแต่เอกจาชเทมัตแตนงเเังเสเซนงามิโตโมผู้ใดที่มาชนะพิเรศของตนภายใน เพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแรมเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าการชนะสงครามทั้งหลายเหล่านั้นนี่มีการจบการสิ้นได้งานของศาสนา ม, มีการจบสิ้นได้ไม่เหมือนไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกนี้ทำจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีสิ้นสุดจําเป็นก็ต้องตายไปสะก่อนหาเวลาว่างไม่ได้ว่างได้แต่เฉพาะเวลาตายมนี้ที่จยหมากทางที่ไหน แต่งานของศาสนางานแก้จิตเรศนี้มีทางที่ดี่สุดจุดหมายปลายทางได้เช่นพระพุทธเจ้าสาวกบทั้งหลายเมื่อสิ้นสุดจุดหมายปลายทางแล้วท่านก็อยู่สบายารรมุสิตังประมาจัยยังในสิ้นเสร็จการพรงอยู่ประมารย์ได้อยู่จบแล้วกตังกรณียังการละการถอนจิลตการบำเพ็ญจิตให้มีระดับสูงขึ้นเดิรนดับก็โดยเส้นสูงลงไปแล้วนาปะลังอื่ตายที่อื่นยังกินอย่างอื่นที่ท้ายิ่งกว่านี้อีกไม่มีนับผีตานี่ผูนับผโบบัตรนี้ความเป็นอีก คือการเกิดอีกตายอีกตายซ้ำๆสักๆครั บ, บอย่าอะไรเพี่มชาติปีตุนับปุนังโยค่าชาติปีตุนับปุนังการเกิดเป็นบ่อ ก, ก็คือการตายการการเกิดการตายบ่อ ก, ก็คือการทุกขอยู่ไม่หยุดนั่นเอง<ม>นี่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากใจตรงนี้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเป็นจิตตะวิมุตติพุดโธแล้วโดยประการทั้งปวงนี่ชื่อว่าผู้เช่นชิงเจ็ดเรื่องการงานของศาสนาเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ขอให้ทุกข์ไปเถอะ ทุกเพื่อมักผลผนิพพานพุกเพื่อการตอดถอนตอนให้ต้นจากความทุกข์อย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้ท้อถอยเพื่อการต่อสู้เอาชัยชนะหนักตัวเองเราจะไปท้อถอยได้ยังไงถ้าเราท้อถอยกิเลสก็เหยียบย่าทําลายเราอยู่ที่ไหนนอนอยู่ก็กิเลส บ, บังคับยืนเดินนั่งมีแต่กิเลส บ, บังคับเกิดชาติใดพบใดมีแต่เป็นนักโทษให้กิเลสบังคับปัญชัยอยู่ตลเวลามันดีได้เหรอความเป็นนักโทษนั่นนะความเป็นลักษณะนั่นต่างหากนะ้ะดี ความจรงแก้ลงไปขนาไปลงไปตัวไหนที่มันเป็นตัวกดขี่บังคับเราจะแก้มโดวยวิธีใดอืมมัชฌิมาปฏิบปทาบอกแล้วนี่คือเครื่องมือฆ่าสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายอันเป็นเจ้าอำนาจตั้งแต่พิเดษเจ้าวัตจกักรนี้ให้ทำลายทั้งหลายที่มัไปแล้วนั่นแลเป็นอิสระที่นี่ไปไหนก็ไม่ต้องเป็นนักโทษอยู่ปกติอย่างนี้ก็ไม่เป็นนักโทษชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่เป็นนักโทษา่าขันเจ็บปวดเดือร้อนอะไรก็ไม่สะเทือนถึงจิตใจดูเท่าทันตามธรรมชาติของมันไม่ยึดไม่ถือ ก็มีชีวิตอยู่กับอยู่ไปถึงการนั้นเหลือจะไปหรือไปก็ไปไม่ห่วงไม่ใหญไม่ใหญดใดไม่คัดค้านถึงการไปก็ไปถึงยังไม่ไปหรือก็อยู่ไม่ว่า <c oughs> พอเรียนจบแล้วทั้งการอยู่และการตาย <c oughs> แล้วจะหาประวล ม, มาจากไหนนี่คือความเป็นอิสระของจิตเมื่อพ้นจากนี้แล้วก็เป็นอิสระเต็มพงไม่ต้องมีการรับผิดชอบเริ่มทานเรื่องขนันอันเป็นเรื่องของสมมติบุ่นวานี่เลยท่าน <c oughs> ขอใทุกท่านหนึ่ง เราคินิสัยเจรณาคือปฏิบัติการเทศนี้เทศตามหลักความจริงที่เราคือปฏิบัติมาไม่ได้นำมาเอานำมาด้นมาเดามาสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติก็าตายเพราะว่าไม่ได้นึกเลยว่าเราจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สองเพื่อนแต่แล้วก็ได้มาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอย่างที่ว่านี้ัมขอให้เห็นใจที่ว่าสั่งสอนของท่านทา้งหลายนะ่ะสั่งสอนด้วยความด้วยความถึงกอกถึงใจสั่งสอนด้วยคำเมตตาสงสารสั่งสอนด้วยควา ม, มาสงเคราะห์นุเคราะห์ เหมือนอวัยวะอันเดียวกัน้จริงๆแล้วพูดอีกนึ่งถ้าเทียบแบบลูกก็เหมือนลูกของผมบนรดาท่ทานทนายที่มาอยู่นี้ผมเป็นเหมือนพ่อท่านทั้ ง, ทงหลายท่านทั้ ง, ทงหลายเป็นเหมือนลูกเจ้าพาอพ่ อ, พ อ, พอแม่กับลูกทําไมจะไม่รักกันทําไมจะไม่ถูกนักพัะดีต่อกันมีอย่างเลยครันี่ยิ่งเป็นฝ่ายธรรมเลยนะยิ่งเป็นของละเอียดสุ ข, ขุมมากขอให้นำำาําธรรมะตามหลักเหตุผลที่แสดงนี้ไปปฏิบัติเอาตายก็ตายเถอะโลกเขาตายได้ทั้งนั้นเลย ลราตายโดยการไปรยยปฏิบัติกรรมจัดที่เหลือกันหาอาตาก็ตายยิ่งมีคุณค่าตายในสงครา ม, มเรียกว่าตายมีเกียรติสงครามก็คือสงครามระหว่างที่เหล็กกับธรรมนั่นแหละอัอลละแสดงเป็นอรนี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายหน่ยเพื่อนับ